เคยมีพระหนุ่มมากราบหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตนี่เราคงรู้จักนะสมเด็จโตสมัยรัชกาลที่สี่นะที่มีชื่อด้านเครื่องลังของขลังจริงๆท่านมีกิติศัพท์ด้านอื่นด้วยในเรื่องความเมตตา พระหนุ่มนั่นก็มาจากวชนะสงขรามวชนะสงขลนี่ก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งของกรุงเทพส่วนหลวงพ่อตนี่อยู่วัดละคขังก็เรียกว่าสมัยนี้ก็เรียกว่าอยู่ฝั่งทนพระหนุ่มก็หน้าตาก็มีความทุกข์ก็บอกว่าจะมาขอพึ่งบารมีพระเดชพระคุณเพราะว่ามีความรุ่มร้อนเหลือเกิน ร้อนใจจนอยากจะจนรู้สึกร้อนพาเหลืองก็เลยจะมาขอหลบร้อนมาพึ่งเย็นกับพระเดชพระคุณนะหลวงพ่อท่านฟังทางนี้ท่านก็พูดขึ้นมาว่าถ้าอยากสบายก็ให้ทําตัวเหมือนหมาสิจะ๊ะอยากสบายก็ให้ทําตัวเหมือนหมาสิจะ๊ะพระนั่น ตกใจเลยเพราะว่าสาเหตุที่มาหาหลวงพ่อโตก็เพราะว่าไปทะเลาะ ก, กับเจ้าวาดมาเจ้าวาดคงจะทำอะไรไม่ถูกเจ้าตัวก็เลยทะเลาะ ก, กันขัดแย้งแล้วก็เลยคิดว่าจะมาหนีมาอยู่วัดระครังดีกว่า หลวงพ่อท่านกระลนะท่านก็นบอกว่ามีเรื่องขัดแย้งกับพระครูวัชนาสงครามใช่ไหมพระรูปนั้นก็รับว่าใช่หลวงพ่อโตก็อธิบายต่อไปว่าคือเห็นหน้าของพระรูปนั้นละงงงๆนะให้ทำตัวเหมือนหมานี่ทำยังไงท่านก็นบอกวเวลาหมามันกัดกันเนี่ย ตัวไหนที่สู้ไม่ได้มันก็ก็นอนแล้วก็ยกขาทำท่ายอมแพ้ไอ้ตัวที่ชนะมันก็คล่อมเห็นตัวแพ้ไม่ทำอะไรมันก็ปล่อยไปนะก็จบกันนะไม่มีเรื่องที่ต้องอเดือดร้อนกันพระหนุ่มวันนี้ก็เชื่อนะก็เลยกลับไปวัชนะสงคราม แล้วก็ทําตามคำแนะนำของหลวงพ่อโตก็คือยอมนะยอมเจ้าว่าก็เป็นนั้นว่าก็ลงเอ่ยด้วยดีให้การยอมนี่มันก็สำคัญนะคนเรามีเรื่องขัดแยง้งทะเลาะเอาแวงกันแล้วนี่ถ้าไม่ยอมกันนะมันก็เดือดร้อนทําไมถึงไม่ยอมก็เพราะว่าอยากจะเอาชนะ ถึงแม้ว่าสาเหตุความเป็นมาจะเป็นเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะถูกกลั่นแกล้งนะแต่พอสู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยไอ้เรื่องเหตุผลเรื่องหลักการมันถูกทิ้งไปแล้วมันจะคิดแต่จะเอาชนะอย่างเดียวและพอคิดจะเอาชนะกันแล้วนี่มันก็เดือดร้อนนะไม่ใช่เดือดร้อนกับเฉพาะคนที่เราอยากจะชนะเขาตัวเราเองก็เดือดร้อนจนกลายเป็นผู้แพ้ด้วย มีสามีภรรยาคนหนึ่งทะเลาะการขัดแย้งกันนะจกนกระทั่งขอหย่าแล้วก็ก็ต้องอาศัยทนายความนะมาจัดการเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยในเมืองนอกนี่ถ้าหย่านี่ก็ต้องขึ้นศาลเพราะมันมีเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินผู้หญิงก็ไม่ก็ต้องการส่วนแบ่งครึ่งครึ่งนะ สินทรัพย์ของสามีเท่าไหร่เนี่ยตัวเองต้องได้ครึ่งหนึ่งสามีก็ไม่ยอมเพราะรู้สึกว่าภรรยานี่เอาเปรียบนะก็ไม่ยอมไม่ยอมทาําไงก็ขึ้นศาลนะศาลก็ตัดสินว่าสินทรัพย์ทั้งหมดของสามีต้องแบ่งให้ภรรยาครึ่งหนึ่งนะสามีก็ โกรแค้นนะเพราะรู้สึกว่าตัวเองแพ้แล้วทำยังไงรู้ไหมเขามีรถอยู่เขามีรถเนี่ยราคาเป็นหมื่นเลยเขาไปขายขายเท่าไหร่รู้ไหมขายห้าสิบเหรียญเขาได้ยี่สิบห้าภรรยาได้ยี่สิบห้าเขาบอกสาสใจนะเมียได้ยี่สิบห้าเหรียญเหงรถศาสตใจมากเมียได้ยี่สิบห้าเหรียญนะ เมียมันโลภมากนะเอาไปเลยแค่ยี่สิบห้าเหรียญพอแล้วบกกว่าทรัพย์สินทุกอย่างก็แบบนี้หมดเลยคือขายถูกถูกนะบ้านก็ขายถูกถูกเพื่ออะไรเพื่อเมียจะได้น้อยลงนะบ้านคราคาเป็นหมื่นก็ขายเป็นพันเมียก็ได้แค่ไม่กี่ร้อยสะใจนะแต่เกิดอะไรขึ้นตัวเองก็เดือดร้อนด้วยใช่ไหมตัวเองก็ได้ของน้อยลงได้เงินน้อยลงเรียกว่า อยากจะเอาชนะเมียแต่ตัวเองก็เดือดร้อนด้วยเพราะว่าทรัพย์สินที่ตัวเองมีมันควรจะราคามากกว่า น, นี้ก็ดันไปขายให้มันถูกถูกนะทั้งหมดนี่เพียงเพื่อจะเอาชนะเมียรหรือว่าอยากจะแก้แค้นเมียมันโลมมากก็ให้มันได้แค่ น, นี้พอแต่ว่าตัวเองก็เดือดร้อนอันนี้อย่างนี้เรียกว่าแพ้แพ้นะแพ้ทั้งคู่นะเพราะอะไรเพราะว่าความไม่ยอมกัน เมื่อวานก็มีคนมาปรึกษาบอกว่าร้อนใจมากมีเรื่องกับแม่เรื่องของเรื่องคือว่าตัวเองนี่ก็ปลูกต้นไม้ชอบต้นไม้มากนะวันหนึ่งกลับมาไม่ใช่วันหนึ่งเมื่อวานนีเนน่เมื่อวานซื้อเ น, นี่กลับมาเพราะว่วาแม่ตัดต้นไม้เฮี้ยนเลยอาทิตย์แรกก็ถามดีๆว่า ไอ้ที่ตัดหายไปไหนจะได้เอาไปปลูกที่อื่นนะแม่ก็บอกว่าทิ้งหมดแล้วแล้วเขาว่าแม่ไม่รู้ว่าผมรักต้นไม้ถ้าบอกสักคําผมก็ได้ขุดต้นไม้เนี่ยไปปลูกที่อื่นนะแม่ก็บอกว่าฉันจะทํายังไงก็เป็นเรื่องของฉันเพราะานี่มันบ้านฉันนะทั้งหมดที่มีเนี่ยก็เป็นเงินของฉันลูกนี่ นเลยนะเพราะว่าลูกนี่ก็ทำงานหาเงินให้มาให้แม่เหมือนกันกำลังกาลังกวาดบ้านอยู่นะแล้วก็ทิ้งก็เลยทิ้งนั่นเลยทิ้งไม่กวาดเลยเท่านี้แหละนะก็เลยทะเลาะกับแม่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันลูกก็คงจะด่าแม่ไปก็รู้สึกเสียใจร้อนใจมากนะก็มาที่วัด อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเพราะความไม่ยอมกันพอไม่ยอมแล้วเนี่ยก็คิดจเจ้าชนะพอคิดจเจ้าชนะแล้วก็เอาทุกทุกอย่างที่คิดว่าจเจ้าชนะได้ก็เอามาคำคำพูดจาทับถมหรือว่าการใช้อารมณ์สุดท้ายตัวเองก็เดือดร้อนเองเพราะงั้นการบางทีการที่เรายอมกันเสียบ้างก็ดี แต่พูดนี้เนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าให้ยอมพอกกลัวนะบางคนเนี่ยยอมพราะกลัวอันนี้เนี่ยมันจะไปส่งเสริมไม่ค่อยอมไปตลอดก็ไม่ได้ไอ้ที่ให้ยอมนี่ก็หมายถึงคนที่อยากจเจ้าชนะก็ควรจะรู้จักยอมแต่คนที่กลัวแล้วก็ยอมตลอดเวลาอันนี้อาจจะต้องแนะนําแบบอื่น มีผู้หญิงคนนี้มาปรึกษาว่านี่ทำยังไงดีเพราะว่าถูกพี่สาวเนี่ยกดข่มตำหนิต่อว่าอยู่เป็นประจำนะเรียกว่าไล่ดีต่อเมื่อตัวเองเนี่ยยอมรับผิดนะพี่สาวก็เลยก็จะหยุดนะแต่ว่าตัวเองนี้ก็มีความทุกข์มากนะคงเพราะว่ากดข่มอารมณ์เอาไว้วันนึงก็เลยอารวาสนะ ความโกรธมันมันระเบิดออกมาก็อารวาสอารวาสทั้งกับพี่สาวแล้วก็อารวาทใครต่อใครเสร็จแล้วก็ยังมีความคุ่ข้างอยู่ในใจเป็นเวลาหลายวันจิตใจหม่นมองมากก็ถามว่าจะทำยังไงดีจะให้ภัยพี่สาวยังไงดีก็แนะนำเพื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยไอ้เรื่องให้อาภัยนี่เก็บไว้ก่อนนะจะต้องจัดการความโกรธ ที่เราโกรธเพราะว่าเราเก็บสะสมเอาไว้ให้การที่พยายามกดข่มความโกรธเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าดีนะมันก็ไปหมักไปสะสมจกนกระทั่งบางวันวันไหนที่คุ้มไม่อยู่ก็ระเบิดออกมาสิ่งที่ต้องมีคือมีสติให้รู้ทันเวลามีความหงุดหงิดเกิดขึ้นอย่าให้มันระบายให้มันลุกลามจกนกระทั่งกลายเป็นความโกรธพอตะโกนแล้วเอาไม่อยู่ บางทีก็จะต้องมาตามลมหายใจในขณะที่พี่สาวกําลังต่อว่าหายใจเข้าหายใจออกให้มันลึกๆหายใจเข้าลึกๆหายจใจยาวๆนะสักห้าครั้งอย่าเพิ่งไปสนใจว่าเขาพูดอะไรให้มาดูใจของตัวก่อนให้มาดูกายของตัวพอจิตใจมั่นคงแล้วเนี่ยนะก็ถึงค่อยค่อยหาเวลาที่จะคุยกับพี่สาวคือก็น่าไปว่าถ้าเขายอม ยอมเป็นลูกไล่พี่สาวไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไม่ดีกับเขานะมันไม่ดีกับพี่สาวโดวยพี่สาวก็จะกลายเป็นคนที่ชอบใช้อารมณ์ลูกแก่โทษสะง่ายซึ่งก็ทำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่คุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรจะให้พี่สาวทำอย่างนั้นกับเราแต่ไม่ใช่ไปเถียงไปด่าเขานะก็ควรกับพูดเขากาวการพูดเขาดีๆตั้งสติได้แล้วเรากพูดเขาว่า เรารู้สึกอย่างไรที่เขาทำกับเราอย่างนี้ที่เขาพูดกับเราอย่างนี้จะพูดกันด้วยเหตุด้วยผลได้ไหมพูดกันดีๆได้ไหมนะแล้วก็แนะนำพี่สาวว่าก็ต้องฟังเหตุผลของเราด้วยคือต้องต้องกล้าที่จะพูดนะอันนี้ต้องอาศัยความกล้าแนละ้วกล้าที่จะพูดกับเขาเพราะว่าถ้าเรายอมเขาเลื่อยไปเนี่ยเขาก็จะ ได้ใจแล้วก็เห็นเราเป็นเป็นลูกไล่ก็ ค, คือระบายใส่อารมณ์ไปเรื่อยๆเราเองก็แย่เขาเองก็แย่นิสัยเขาก็เสี ย, ยก็ต้องกล้าที่จะพูดกับเขาส่วนพูดกเขาแล้วเขารับหรือไม่รับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่งน้อยเนี่ยเราก็ได้ทำสิ่งที่มันสมควรแล้วถึงตอนนั้นแล้วเนี่ย จะให้อภัยพี่สาวก็ก็ไม่ใช่เรื่องยากคือการให้อภัยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อจิตใจเรามั่นคงการให้อภัยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของคนที่จิตใจอ่อนแอคนที่จิตใจอ่อนแอยอมตลอดเนี่ยการให้อภัยจะไม่ใช่ให้อภัยที่แท้จริงคานที่ก็าพูดไว้ดีนะบอกว่าแมวแมวกับหนูเนี่ยนะหนูเนี่ยไม่ไม่สามารถจะให้อภัยแมวได้อย่างแท้จริงตราบใดที่หนูยังกลัวแมว มีหนูตัวหนึ่งนะมันโดนแมวไล่ไล่าๆๆอยู่เรื่อยเลยมันก็บอกว่าเอ้ยฉันให้อาภัยแมวไปแล้วฉันไม่โกรธนะที่จริงไอ้ที่พูดงั้นเนี่ยไม่ใช่ความเข้มแข็งของของหนูหรอกแต่เขากลัวกลัวแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงดีก็เลยพูดเลี่ยงว่าเออฉันให้อาภัยไปแล้วนะการให้อาภัยของหนูเนี่ยมันไม่ใช่ไปการให้อาภัยที่แท้จริงเพราะมันมาจากความกลัว การให้อภัยที่แท้จริงเกิดขึ้นจากการที่เรารู้ว่าเราสามารถจะตอบโต้เขาได้แต่เราไม่ทำนะอันเนี้ยสำคัญมากบางคนไปไปหลอกตัวเองว่าฉันให้อภัยแล้วนะที่แท้ทำเพราะความกลัวตังหงั น, นั้นไม่ใช่คือเมื่อใดต็กตามที่มีโอกาสที่จะเล่นงานเขาก็ ก, ก็จะเล่นงานแต่ที่เล่นงานไม่ได้เพราะว่าอ่าสู้เขาไม่ได้นะก็เลยพูดไปว่าฉันให้อภยนะัย อันนี้มันเป็นการให้ภัยที่ไม่ใช่ของจริงให้ไปที่เป็นของจริงต้องเป็นความรู้สึกมั่นคงจากภายในนะแล้วก็ถึงแน้เขาว่าเนี่ยเราจะต้องไม่ทำตัวเป็นลูกไล่เขานะต้องพูดกับเขาไม่ใช่เถียงนะพูดเขาดีๆต้องมีความกล้านะแล้วเมื่อเรา จ, จิตใจมั่นคงแล้วแม้เขาจะว่าเขาจะตำหนิไงเราก็ไม่โกรธ คนที่โกรธนี่ก็เพราะจิตใจยังไม่มัน่นคงแต่เมื่อมั่นคงแล้วก็แม้เขาจะทำอะไรไม่ถูกนะเราก็สามารถจะให้อาภัยเขาได้เป็นการให้อาภัยด้วยด้วยความบริสุทธิ์ใจนะก็แน่เข้าไปอย่างนี้นะคือคนที่อยากจะคนที่อยากจะเอาชนะเนี่ยนะมันต้องรู้จักยอมแต่คนที่ยอมอยู่เรื่อยๆไปเนี่ยนะมันต้องกล้าที่จะ พุทขึ้นมาบ้างแต่ไม่ใช่ไปต่อรอดต่อเถียงเขาไม่ใช่ไปต่อตีเขาแต่พูดกับเขาด้วยความสุภาพด้วยความมั่นคงด้วยจิตที่มีสตินอันนี้แหละมันเป็นการทวนกระแสะกิเลสพราะกิเลสคนที่ต้องการเอาชนะเนี่ยเราพบคนที่ต้องการชนะก็คือมีกิเลสตัวมานะเราก็ต้องสยบตัวมานะด้วยการที่รู้จักยอมบ้าง แต่คนที่ยอมเพราะแพ้เพราะกลัวเนี่ยอันนี้ก็เป็นกิเลสแบบหนึ่งกิเลสที่ไม่กล้าคืดไม่กล้าสู้ก็ต้องให้กล้าขึ้นมาเมื่อคนที่กลัวผีนะกลัวผีก็ก็ก็กลัวอยู่ล่ำไปไม่กล้าที่จะออกไปเจอความมืดจะแก้ความกลัวได้ก็ต้องกล้าที่ออกไปไม่ยอมไม่ใช่ไปยอมมันเลื่อไปยอมกิเลสนี่ก็ไม่ถูกนะต้องต้องคืดสู้บ้าง มันกลัวอะไรกลัวความมืดก็ต้องเข้าไปหาความมืดนะมันกลัวการปฏิบัติธรรมก็ต้องเข้าหาการปฏิบททัติธรรมไม่ใช่แบบไม่ใช่วยอมมันอันนั้นไม่ถูก